บุ๊กทูหนึ่งร้อคําวิเศษเคยยังไม่เคย นิกุกะจดเซกาคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยังดัลลีเวกิสเตบิเลวโอเบอร์ลิัเเบลินไม่ยังไม่เคยเลยครับเน่นิกุกะจดเซกาเน่เซอุสตเน่เน่นิกุกะจดเซกาเน่เซอุสตเนใคร ไม่มีใครเนกอย์เนกอยเนกอย์เนอยคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับป้อนนาวา е ิลิอ์วเดเ о กอย์ป а อนนาว и ติลิอ์วเดนกอยไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับเน่เนปู้น้าวัมนิคุโก้เน่เนปู้น้าวัม อีกนิดอีกไม่นา น, στε, นคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Не, ี่ย не о с т а н у แตน п о ัมพูเวก а ทุกค่ะอะไรอีกไม่อีกแล้วอุ่นเตนิสโต п ิ е โต н ูเวก์อุ่นเตคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมั้ซนับพีเ да ตอุ่นเตนิสโตสักัติลีดั้นเซนับพีเอเตอุ ไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับเนยัสเนสมนอะยไรบ้างแล้วยังไม่เลยก e e คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม ยากเดินไปเวกเอนิชโตไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับเน่ยาเซอเุสตเนมเดโนนิต เ, เนยเซอตเนมายเดโนนิตมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วุสเตเนกอยนิโกยพเวกเ อุตเนือยนอคุยพวกมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมซาลีอุตเนอุยาฟาลีอุตเนอคยกาฟไม่ไม่มีใครอีกแล้วครับเนนอุพวกเนนอพวการุนาไปที่